ประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องบัณฑิตปสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยหลักธรรมหรือคุณธรรมของบัณฑิตรหรือสัตว์ปุรุษเป็นประธรรมเทศนาที่ส่งแสดงโดยอัธยาศัยของพระองค์ทรงประรบเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็ทรงแสดงแก่พิสูจน์ทั้งหลายเป็นใจความว่าดูกรร่อนพิสูจ์ทั้งหลาย ธรรมที่สัตบุุษคือคนดีบัญญัติเอาไว้สามประการคือหนึ่งทานการสละให้ปันสองบัญปะชาคือการออกบวชเป็นอุบายวิธีเว้นจากการเบียดเบียนประทุสรายกันสามมาตาปิจุอุปทานการอุปถากบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาของตนให้เป็นสุข สามประสประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นสัพุริสบัญญัติหรือข้อบัญญัติของสัตว์ปรุษลตและทรงแสดงโดยสรุปเป็นราคาถาวาท่านหนึ่งอิหิงสาหนึ่งสัญญมะหนึ่งธรรมะหนึ่งการอุปถาควารุ่มารดาบิดาหนึ่ง เป็นธรรมของสัตว์บุรุษที่สัตว์บุรุษได้บัญญตัติประพฤติและปฏิบัติคนที่ได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์บุรุษเป็นผู้ซสงบหรือว่าเป็นคนดีองธรรมสามประการนี้ ในตอนต้นนะนะที่จริงแล้วเป็นธรรมะที่มีมาก่อนพุทธกาลเป็นคำสอนโบราณเป็นหลักที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วกระดมมาสั่งสอนเป็นหลักของบ้านของเมืองเรียกว่าทานนั้นเป็นเรื่องของสังคม ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเราอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นต้องมีการสงคร้อน ก, กันมีการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีการให้มีการรับเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาซึ่งกันและกันเชื่อมโยงจิตใจระหว่างกันและกันและสร้างเป็นแบบแผนให้แก่ คนรุ่นหลังในถือตามปฏิบัติตามและสิ่งเหล่านั้นก็เป็นบุญที่ติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลไปเป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายมาความใครทำคนนั้นก็ได้โจรขโมยลักไปไม่ได้ แตะเป็นทรัพย์ที่ติดตัวไปส่วนบัณฑัญานั้นเป็นการปฏิบัติพัฒนาตนเองที่จริงเราแปลว่าเป็นบาปนะครับมันก็มีทั้งที่เป็นรูปแบบและทั้งที่เป็นเนื้อหารูปแบบก็คือการเป็นนักบวชแต่เนื้อหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ที่ การอาศัยรูปแบบแล้วก็แสดงว่าเป็นบนรรพชาพเพียงอย่างเดียวแต่ท่านหมายถึงการปฏิบัติที่สามารถพัฒนาจิตใจเราให้ประนีตขึ้นไปกเว้นความชั่วได้เรื่อยๆบรระชาแปลว้นบาปนะฮะเว้นอุบายยวิธีที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่นั้นเวลาสรุปเป็นคาถา านเหว่าส่วนของทานมันเกิดขึ้นโดยกุศลและเจตนาสามอย่างนะอย่างใดอย่างหนึ่งคือต้องการที่จะแสดงความมีน้ำใจต่อกันในแนวของการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้หมายความว่าเขาก็ไม่จอขาดแคลนอะไรแต่เราก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เป็นการเฉลี่ยเจือจาน ต่อ ก, กันอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการสงเคราะห์ที่ท่นเรียกว่าอามิต h สังกะหะและถ้าเราดูในที่อื่นเนี่ยทรงแสดงว่าโลกนี้มีช่องว่างซึ่งคนในโลกจะต้องช่วยอุดช่องว่างของโลกด้วยการปฏิบัติธรรมะต่อ ก, กันเรียกว่า ธรรมสังฆะคือปฏิบัติหน้าที่ต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อลดช่องว่างและโดยการสงเคราะห์นุเคราะห์กันเพรามาช่องว่างจริงๆไม่ใช่คำใหม่นะครับคที่พระเจ้าทรงแสดงมาตั้งแต่ตน้นเราจะเห็นว่าสังคมเราถ้าเราเชื่อมต่อกันได้เนะี่ยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความผูกพันทางด้นจิตใจมันก็เกิดขึ้นได้ คนที่มีฐานะพอจะช่วยเหลือคกือกูลกันก็ช่วยเหลือคกือกูลคนอื่นคนที่ช่วยดึงเงินทองไม่ได้ก็ช่วยดแรงกายแรงความคิดแในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติธรรมะต่อ ก, กันโดยความอือฟเ้อตามสมควรแก่หน้าที่ที่เราเกี่ยวข้องกับคนอื่นซึ่งก็มีการกระจายออกไปยอยะไปหมดเลยก็เป็นการลดช่องว่างในสังคม แต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้มันก็ถ่างช่องว่างให้ว่างมากยิ่งขึ้นแล่ในที่สุดก็เชื่อมต่อกันไม่ได้คือจับมือกันไม่ถึงก็แบ่งพวกแบ่งหมู่กันผลท้ายก็จบลงด้วยการอยู่ไม่ได้ของทุกฝ่ายนะฮะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วพอถึงบรรยายชาเนี่ยมก็แสดงเป็นรูปเป็นรูปการปฏิบัติโดยเนื้อหา คำว่าบันประชาเนี่ยคำว่าบวชเนี่ยคำว่านักบวชอะไรก็นตาโดยเนื้อหาแล้วมันมีอยู่สามอย่างแต่นั้นเองเรียกว่าสัญญาธรรมะอหิงสาสัญญาธรรมะโดยเนื้อหาจริงๆคืออหิงสาคือการไม่เบียดเบียนแต่ว่าการที่จะไม่เบียดเบียนนี่มันเรื่องใหญ่มากเราะว่าสัตว์โลกนั้นเป็นสัตว์โลกที่ชอบเบียดเบียนชอบความรุนแรง เ้าจเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกัคนอื่นกัสิ่งื่นกับสัตว์อื่นไอนนเราสังเกตว่าเรื่องราวต่างๆเช่นว่านังสือที่มีความรุนแรงเหตุการณที่มีเรื่องรุนแรงหรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความรุนแรงเนี่ยจะมีตัวเลขคนดูมากมันตอบสนองความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์ คนพุทธเจ้าจึงวางหลักเอาไว้ว่าบรรปชามันคือตรงเนี้ยคืออหิงสาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ตรงกับศาสนาเชนศาสนาเชนเนี่ย ก, ก็ถือหลักอหิงสาธารโมธรรมโมอหิงสาปร โ, ารโมธรโมอหิงสาปรโมธรมโมนะฮะถ้าแปลเป็นไทยไทยเป็นเป็นบาลี แต่เขาแต่ก็พูดเป็นสันสกฤต ก, การไม่เบียดเบียนกันเป็นบรมธรรมของพระเจ้าเองก็เน้นที่การไม่เบียดเบียนทรงมองโลกตั้งแต่ตอนจาสรุใหม่ๆประทับอยู่ที่ต้นจิกชื่อมุจรินทรงทอดประเนสดูสัตว์โลกโดยที่ระจากสุขเห็นว่าโลกนั้มันบุ้นจังมัน ผนาะมันไม่มีอะไระนะเมื่อเรานั่งในป่าเราดูในป่าเราจะเห็นว่ามีวิญญาณป่าคือมันเบียดเบียนกันสัตว์จิจสัตใหญ่ก็กินสัตว์เล็กปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กมันเป็นภาพที่ธรรมาชาติมากก็ทรงเปล่งอุทานว่าการไม่เบียดเบียนกันคือการสารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลก ผลมรรควิธีในการสอนธรรมะทางาศาสนาทั้งหมดมันก็เน้นิธีการไม่เบียดเบียนเริ่มต้นจากการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็เป็นธรรมะในาศาสนาก็เริ่มจากจุดนี้จนถึงทำประโยชน์แก่ตนเองประโยชน์บุณคลอื่นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายเป็นเป้า แต่จุดเริ่มต้นของธรรมะปฏิบัติก็คืองดเว้นจากการเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือบรญชาซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เคยบอกว่าพระเจ้าทรงจำแนกคนในโลกเอาไว้ในเรื่องนี้มีเป็นสี่ประเภทประเภทหนึ่งคือไม่ออกทางกายทางใจเนคขมะตัวนี้ตันใช้ับว่าเนคขมะเนคมะก็คือการออกบวชก็คือบวชน่ะ แต่คนพวกหนึ่งนั้นจะไม่ออกทั้งกายทั้งใจโอ้พวกนี้ที่จริงก็เลิกพูดเลยนะประเภทที่สองนั้นออกเฉพาะกายแต่ใจไม่ออกแม้จะบวชเป็นพระเป็นภิกษุสามเณรเป็นแม่ชีเป็นอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจมันไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีการข่มใจไม่มีการชํารวมระวัง ทูตชาตสมงอุปมาว่าเหมือนกระเรือนที่มันมุงไม่ดีหลังคามันรั่วพอหลังคารั่วอย่างอื่นมันก็เปียกหมดเพราะจิตใจคนก็เหมือนกันคือตะขาดถ้าขาดธรรมะเป็นเครื่องปิดกระแสกิเลสไว้แล้วเนี่ยมันกิเลสมันลามปามัคล้ายกับน้นําตกน้ําท่วม ไ, ไฟไฟไหมเนี่ยมันลามนะมันลาม ก็สร้างความเสียหายขึ้นไปได้เรื่อยๆประเภทที่สามนั้นก็เรียกว่าใจออกแต่กายไม่ออกก็คือชาวบ้านเนี่ยแหละก็อยู่เป็นชาวบ้านชาวบ้านบางคนจิตใจก็สูงก็าสงบมากกว่าพระซะอีกกปฏิบัติก็อยู่เฉยๆนั้นแสดงว่าจิตใจเ็าจริงๆก็ บวชแล้วคือเว้นบาปนะครับต่อมาจำเป็นจะต้องไปต้องไปบวชอะไรเพราะถ้าบวชจริงๆมันก็บวชไม่ได้อะนะบวชเป็นเรื่องกลุ่มคนเล็กๆแต่นั้นเองเอามาบวชกันหมดไปเดี๋ยวก็ยุ่งหมดเหมือนราชวงศ์สากยะนี่ออกบวชกันเกือบหมดผลนุทายตอนปลายพุทธสมัยถูกกองทัพสาวกถีตีกรุงแตกเลยไม่มีกษัตริย์ไม่มีนักรบไปบวชทั้หมด จุดสุดท้ายก็คือบวชทั้งออกทั้งกายทั้งใจอันนี้จริงหมายความว่ามีทั้งรูปแบบแล้วก็เป็นเนื้อหารูปแบบก็สมบูรณ์เนื้อหาก็สมบูรณ์ทีนี้พอพ อ, พอพอพูดถึงเนื้อหามันก็มีสามคำอย่างที่ว่าอิงสาสัญญาธรร ม, าามาอิงสานั้นจริงๆแล้วเนี่ยท่านทัางหลายเห็นว่าพูดระดับศีลแต่ว่าโดยเนื้อหาจริงๆก็คือการุณา เป็นความสงสารต้องการที่จะช่วยบำบัดทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่คนอื่นแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เราตอ น, นแรกๆก็ให้งดเว้นการเบียดเบียนเบียดเบียนเขาเสี ย, ย, ยก่อนจั ก, กว่ไอ้ทศพิตรจะทำเองก็ใช้คำนี้นะฮะใช้กับว่าอาหิงสาเป็นกัน ว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยเบีย ด, ดเบียนราษฎรแล้วกันท่านท่านท่านไม่พูดถึงกรุณานะแต่พูดแร ง, งดเว้นก่อนเพราะในสมัยโบราณเนี่ยมันมีราชภัยไปจากพระา ร, าาราชาราษนาทาเร้นเบียดเบียนราษฎรเกณฑ์แรงงานราษฎรเย็นจิ น, นสีห้องเต้อะไรแต่ไหเนี่ยเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์มีเยอะวัวนทัศพิราจธรรมท่านวางไว้ตรงนี้ก่อนนะขออย่าเบียดเปบียนก่อน ส่วนการกระทำประโยชน์กูลสงสารราษฎรนั้นก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งแต่ถ้าเบียดเบียนจ้แล้วไอ้ด้านมันไม่เกิดออกมันเป็นช่วงของธรรมะโดยเมืม่อ ว, วานนี่ก็เดินมาจะาฟังพระเขาอ่านกระทูที่นี่ยมีนักศึกษาเ็าเดินตามมาขอถามปัญหาเออก็เก็กเข้าใจถาัง น, นึกชมแก ก็ขอให้ช่วยสงเคราะห์สงเคราะห์ทศพิตรา จ, จะทำขั้นในไตสิกขาทศพิตรา จ, จะทำนะมันสิบข้อนะฮะไตสิกขาเป็นสามข้อเมืองไทยเราปกติไม่ค่อยเรียนในแนวสงเคราะห์ธรรมะที่ว่าสังกะโหอสังกะโหที่พระก็สวดอริธรรมงานศพนะฮะจะเรียนว่าสังกะโหอสังกะโหคือสงเคราะห์กันได้สงเคราะห์กันไม่ได้ แต่แปลเป็นในไทยนะฮะแปลเป็ น, นไทยก็สงเคาะกันได้สงเคาะกันไม่ได้คือหมายความพวกเดียวกันก็เกาะกลุ่มกันคนเรคนพวกกันก็แยกกลุ่มกันแต่จริงทศพิธาชจะทำมันก็ศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าท่านย่อยออกไปเราเห็นว่าทานกับบริจาคมันก็เป็นเป็นระดับศีลทานบริจาคศีล น, นะฮะเป็นระดับศีล แล้วก็อาหิงสานั้นอาวิโรธนานั้นเป็นปัญญานอกนั้นก็เป็นสมาธิคำสอนทั้งหมดผมก็อยู่ในเรื่องนั้นเนี่ยอาหิงสาที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ระดับของศีลหมายความมาทำยังไงอย่าเบียดเบียนการไม่เบียดเบียนก็คือการสำรวมระวังระดับศีล การรวบรวมระหวังระดับศีลไปก่อนนะ่ยนะฮะมาความมาคุมระดับกายกับรว า, าจาได้ก่อนแต่ถ้าเรามองสิ่งที่เราเบียดเบียนก็คือเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเองเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยความโลภไม่ไม่นใจด้วยความโกรธเป็นหลัก จึ่งไม่มีชีวิตเราเบียดเบียนด้วยความโลภเป็นหลักแต่หมายความว่าก็ทํำด้วยโลภโลกรธหลงนั่นแหละแต่ว่าตัวหลักเนี่ยสึงมีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเกิดความโกรธสิ่งไม่มีชีวิตก็เบียดเบียนไป่ได้วความโลภแต่ทั้งหมดก็ทําด้วยความหลงเพราะแนวศีลทั้งห้าที่เราเจอบ่อยที่สุดในพระไตริฎกมันก็มากที่สุดเลยนะคร ก็คือการงดเป็นการเบียดเบียนเป็นการเบียดเบียนในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองก็เป็นการเบียดเบียนทางการกระทําแล้วก็บีเบนทางวาจาก็คือการพูดในลักษณะตัดรอนผลประโยชน์ที่คนอื่นจะพึงได้พึงถึงบิดเบือนข้อเท็จจริงยุยงให้เกิดความเข้าใจผิดแตกแยกกัน เกิดก่เกิดความเจ็บใจความน้อยใจความเสียใจหรือทําให้สูญเสียเวลาไร้าสา ร, าระไปจบเราเห็นว่าเป็นการเบียดเบียนแต่ตามตามปกติเราไม่ได้คิดนนะเราไม่ได้คิดที่พุทธเจ้าทรงใช้คําคําเพเื่เพอเจอือคําเพื่อเจือที่เรียกว่าเราเราแปลว่าสํารากเพเื่อเจือบาลีนั้นใช้คำว่าสัมผัสปลา ป, ปะไม่ได้ใช้คําว่าวาจานะ ตรงเนี้ยที่จริงมันสูญเสียเวลาฟังทั้งเรื่องไม่ได้เรื่องอะไรเลยเราก็แก่ไปตั้งเป็นชั่วโมงเป็นหลายๆชั่วโมงตรงนี้คือสิ่งที่เราที่เราไม่ค่อยมองประเด็นเนี้ยนะว่าตรงเนี้ที่จริงทำให้เราแก่ไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรคนคนพูดก็พูดเรื่องไร้สาระประโยชน์เราฟังไปแล้วเราไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าทั้งคนทั้งทั้งคนฟังคนพูดมันก็แก่ไป บางทีแต่เรียกว่าโปรยปรายประโยชน์สมนุนโบราณนะคำว่าโปรยปลายประโยชน์หมายความไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่นก็คือการเบียดเบียนและการเบียดเบียนตนเองหรือคนอื่นด้วยสิ่งเสีติดว่าตนเองหรือคนอื่นก็ตามกรณีก็ถือว่าเป็นเรื่องเบียดเบียนและศีลทั้งหมดที่จริงก็มาจากตรงเนี้ต่อไปเรื่อยๆ มาจากเนี่ยจากชีวิตจากทรัพย์จากผู้ครองจากการพูดจากสิ่งเสพติดต่อไปเป็นแถวก็จากตรงนี้ในชั้นแรกก็ขออย่าให้เบียดเบียนแต่ว่าถึงถึงจุดนี้จุดหนึ่งเนี่ยให้พัฒนาไปถึ ง, ถงการุณาไปอย่างที่บอกว่าค่าสึกต่อการุณานั้นคือเบียดเบียน แต่เราจะเกิดกรุณานเลยมันไม่ไดาบยังยังเบียดเบียนอยู่ก็ครั้งแรกต้องหยุดตัวนี้ก่อนคือหยุดเบียดเบียนก็เรียกว่าอาหิงสาเบียดเบียนเรียกวิหิงสาแล้วเมื่มอหยุดแล้วเนี่ยเหตุผลสติปัญญามันเพิ่มขึ้นต่อไปก็จะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นความเมตตากรุณาก็จะเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะตย่ยตยบันไดขึ้นมาไม่พูดในแนวของการพูดพราดแต่ว่าจุดนี้จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญะคือการสำรวมระวังเพราะอะไรเพราะว่าเราเราต้องเกียกับชีวิตทรัพย์สินของคนอื่นอยู่ตลอด ตระกาการสำรวมระวังมันก็กระทบกระทั่งกนได้จะเดินจะนั่งจะพูดจะอะไรเนี่ยต้องสำรวมระวังทั้งหมดเลยไม่งั้นกระทบคนอื่นบางทีก็เหมือนกับขับรถในท้องถนน น, น, นนั่นนะครับต้องเรีนว่านอกจากระวังเราอย่าแม้ชนเขาแล้วต้องระวังเขาไม่ชนเราและระวังคนอื่นได้ชนคนอื่นแล้วมาชนเราด้วย หมายความระวังกันหลายต่อมองภาพจราจรเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะฮะว่าชีวิตเรามันจริงๆเป็นคำต้องเรามาระวังมากเรามาระวังมากมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังระวังรอบด้านที่นี้แนวการสํารวมระวังเนี่ยทรงวางไว้ถึงห้าแนวห้าระดับระดับหนึ่งตรงใชก้กำว่าสีและสงังวรสํารวมระดับสี อ, อย่างที่บอกไว้ก็แล้วแต่ว่าใครสมานฐานศีลอะไรก็สํารวมระดับนั้นระดับศีแต่ระดับศีลจริงๆมาเป็นปัญหาหัวใจนะมันแก้ปัญหาระดับใจไม่ได้ตอนทีเราก็ยมีปัญหาในด้านจิตใจก็สํารวมอีกระดับหนึ่งเรียกระดับอินทรีย์สองวร์สํารวมระดับระว่ังระดับอินทรีย์ ในการดูในการฟังในการดมในการลิ้มในการจับต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ดูไม่ฟังไม่ดไมดไม่ลิ้มไม่จับต้องได้ไหมทรงมองว่าหลีกเว้นใน ห, ห่างไกลเหมือนหนทางมีพัยที่เราหลีกเว้นหรือว่ามีมีงูใหญ่เราหลีกเว้นเนี่ยคำว่าหลีกเว้นหมายถึงไม่ดีแต่นั้นนะนะฮะ เพราะันท่านท่า น, ท, านทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าสํารวมจุดนี้หมายถึงสํารวมระวังในเรื่องไม่ดีเท่านั้นแต่เรื่องดีก็ต้องดูต้องฟังต้องดมต้องเลี้ยมร้องเก็บต้องเห็นว่าฟังด้วยดีจมได้ปัญญายไหมฮะก็เน้นี่การฟังตรงนี้เน้นเฉพาะเรื่องไม่ดีที่สํารวมระวังประการต่อไปนั้นเราจริงๆเราหลีกยาก ปัจจุบันอารมณ์เนี่ยมันกระทบเยอะซื่อต่างๆเยอะเป็นยุค ข, ของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องการต่อสู้กันในด้านข้อมูลข่าวสารเราก็คงต้องได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ดมได้ลิ้มแต่ก็ข้อมูลข่าวสารที่มีการปรุงแต่งนะฮะไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารธรรมชาติมีการปรุงแต่งคําโฆษณาทั้งหลายมีการลงทุน ใช้ประโยคที่ค ม, คมสกิดหูสกิดใจคนเกิด ค, ความสนใจที่จะซื้อหาที่จะไปดูไปฟังไปชมวันข้อมูลข่าวสารที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวท่านยังเห็นว่าแนวนี้จริงๆไมได้แปลกอะไรค่การลิลิตพลอหนะย่อยศพระลอนะ ก็เผยแพร่ไปปรุงแต่งคนมันจินตนาการโอ้มันมันสวยเหลือเกินพระเพื่อนพระแพงในไทยกับอู๋มันล่อนล่องลอยมาจากฟาฟ้าสวงสวรรค์มันปรุงกันอุตลุไปหมดแหละส่งคนไปร้องเพลงสรรเสริญพระเพื่อนประแพงมันงายสวยงามกว่าไปอันนี้ก็คือก็มีลักษณะอย่างนี้เน่ยนะฮะการการโฆษณาก็คืออย่างงั้นนี่ยมันปลุกเราซ้ำซ้ำซากซากสร้างเงื่อนไขให้เรายอมรับแล้วที่จริงถ้าเราหยุดคิดเนี่ยนะฮะ ประชชยโยนในโสมนรสิการในทรงสอนนายโยนในโสมนรสิการนี่มันก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่จริงหรือว่ามีส่วนจริงอยู่น้อยแต่เนื่องจากตามปกติแล้วคนไม่ค่อยคิดคนไม่ค่อยคิดคนจะไหลตามกระแสซึ่งเขาเตรียมตัวมานานนะนะะเขาเตรียมตัวมานานแล้วเรานิ่งตัดสินเมื่อทีก็ตัดสินใจไม่ทัน พอ เ, เขามองซ้ายมองขวากาันจะคิดอะไรขึ้นมามีการถกเถียงมีการปีป่ายเตรียมตัวกันนิดนิดกว่าจะออกมาได้เรารับปับเนีบางทีเราคิดไม่ทันเพราะเขาคิดมาแล้วในด้านที่เราคิดเนี่ยนะเราคิดปิดกั้นไว้แล้วคิดป้องกันไว้แล้วจึงต้องเพิ่มเยอะต้องสำรวจระวังเยอะไม่ดูไม่เห็นไม่เลยไอ้นี่ก็ทําได้บางเรื่องนะ นี้ถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นมันก็ใช้เท่าที่จําเป็นดูเท่าที่จําเป็นต้องดูฟังเท่าที่จําเป็นต้องฟังเป็นต้นแล้วก็ถ้ามีปัญหา mm hmm. ก็อย่าเก็บอย่าจําก็สํารวมระวังลึกๆไปเลยทีนี้อีกอย่างหนึ่งนี่มันมันมาแรงๆมันก็นค่อนข้างกันแทก เป็นการกระแทกมาจากข้างนอกก็ทรงสอนในรูปของขันติกติสังวรคือความหมดกลั้นความหมดทนก็หมายความว่าอารมณ์ที่ย่วยนย่ ว, ย ว, ยวนึั่นถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าไหนาลองสังเกตว่าอารมณ์สองอารมณ์นี้อารมณ์ย่อยวนเนี่ยจะทนยาก อารมณ์ยั่วยุนี่ทนง่ายนะฮะเพื่อนท่าตีถ้าต่อยบางทีตัวมันโตเราก็ชักปอ ด, ปอดๆเราก็ชักปอดๆเลยไม่กล้าเฉียงไม่กล้าชวนทะเลาะอารมณ์ยั่วยวเนี่ยมันโน้มนาวให้เรารู้สึกเราได้ปัญหาสําคัญเรารู้สึกว่าเราได้อารมณ์ยวยุเนยบางทีเราก็เสี่ยงแล้วอาจจะเสียเราจึงทนได้ง่ายกว่าแต่ว่าอารมณ์ยุ่วยุบางทีท่านก็แบ่งนะฮะพระเจ้าทรงแบ่งเพราว่า เป็นความก้าวร้าความรุนแรงถ้าเราทนต่อคนที่เหนือกว่าเราเนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้มากอะไรเท่าไรเพราะตามปกติเราก็ทนอยู่แล้วคนที่เสมอกันต้องใช้เพิ่มขึ้นหน่อยคนที่ต่ํากว่าเราเนี่ยถ้าเราทนได้เนี่ยแสดงว่าเก่งมากจะทนลูกศิษย์ได้ทนลูกน้องได้ทนคนใช้ได้ทนพันโรงทนคนขับรถได้อะไรแต่ไรเนี่ยนะเรถือว่าเก่ง เพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถจะทำอะไรได้แต่ไม่ยอมทำห้ามจิตเอาไว้ไม่ให้ผุนผันควบคุม ค, ความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ตรงนี้ที่จริงต้องใช้เป็นหลักจนกลายเป็นอัตโนมัติคือทนได้โดยอัตโนมัติมันก็มองอะไรล่ะฮะคล้ายๆกับ เราปักเสาปักหลักปักแล้วขยาวดูปักแล้วขยาวดูปักไปเรื่อยขยาวไปเรื่อยนะะจนถึงหนจนถึงจุดหนึ่งแน่ใจได้แล้วก็ดำเนินการต่อไปได้ส่วนการอดทนเนี่ยเราจะพบว่ามันมีการพิสูจน์ทดสอบอยู่ด้วยมีเยอะที่เราทนได้ส่วนใหญ่ก็ทนได้นะฮะส่วนใหญ่ก็ทนได้ แต่บางครั้งบางคราวเราไม่รู้ว่าอารมณ์มันจะแรงขนาดไหนเราต้องฝึกให้ทนทานอย่างจริงๆหรือทนได้จริงๆคันตินั้นท่านจึงถือว่าเป็นเครื่องประดับของนักปรัชญเป็นกำลังของผู้ใช้ความเพียรพยาย แล้วก็เป็นเครื่องดุดคือห้ามความรุนแรนห้ามความรุนแรงขันติจะนำประโยชน์สุขมาให้มันเป็นบารมีนะฮะท่านทั้งหลายเจโนะพวกพวกนี้เป็นเป็นพวกบารมีประมาณสองต่อนะฮะเป็นสีบารมีเป็นขันติบารมีและต่อไปนั้นก็คือใช้สติสติเป็นการปิดกั้น เป็นการปกป้องป้องกันไม่ให้อารมณ์ที่เป็นข้าสึกต่อจิตใจในี่ข้ามาสู่ใจได้ความระลึกทันได้ต่อเรื่องเหล่านั้นแนจริงๆก็คือปิดกั้นไม่ใส่ใจไม่สนใจเสียงก็สักแต่ว่าเสียงรูปก็สักแต่ว่ารูปกลิ่นรสสัมผัสก็สักแต่ว่ากลิ่นรสสัมผัสคือสักแต่ว่าไม่ได้สนใจใส่ใจให้ความสาคัญ ไม่นำมาปรุงคิดคิดปรุงเพื่อให้เพิ่มกิเลสสติเป็นเครื่องข้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากแต่จริงๆแล้วสติเนี่ยตกปกติมันเกิดช้านะคนเราส่วนมากมันสติมันขาดมันไม่มีใครที่ ส, สติสมบูรณ์นะะพระอรหันต์อาจารยเองสติสมบูรณ์ส่วนมากสติมันขาด ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็แก้ไขยากแต่แล้วแต่ท่านก็สอนให้ฝึกเราจะเห็นว่ากรรมาฐานนัคือแนวฝึกสติฝึกสติให้เราลึกดูกับพุทโธหรือว่ายุบหนอพองหนอหรืออะไรก็ตามนะหมายความว่าฝึกให้อยู่กับตรงนั้นฝึกให้ระ ล, ลึกได้ระ ล, ลึกทันนึกได้ต่อไปเขาเรียกวานญาณสังวรคือสัรวมด้วยความรู้วิจัยได้ทันที เห็นปับควรไม่ควรเนี่ยตัดสินใจได้ทันทีซึ่งก็หมายความเราต้องรู้เยอะมาเช่นว่าเขาโฆษณาขายสินค้าเราตัดสินใจได้ทันทีว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อมีความสนใจมีความจำเป็นหรือไม่จาเป็นแล้วก็ตัดกระแสทันทีเลยไม่สนใจไม่อ่านไม่ฟังไม่รับรู้ก็ตัดได้ทันที หมายความว่าเราได้ยินปั๊บเรารู้คุณรู้โทษปุ๊บเลยแล้วก็ตัดได้ในกรณีที่เป็นโทษนะปัญญาจริงายเป็นเครื่องตัดตัวยาแหนเป็นตัวตัดตอนบอกว่าเหมือนกับดาบเวลาพาระนักเสณถ้าตุปมาทานดุ ป, ม า, าดปมาว่าสตินั้นเหมือนกับเรารวบรวงข้าวมาปัญญามอนก็เขียวที่ตัดตัดรวงข้าวตัดได้ขาดออกไป การตำรวจระวังทั้งทั้งห้านี้จริงเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นงานปูเขาต้งนั้นเลยศีลอย่างเดียวก็สาหัสแล้วนี่ต้องมาเพิ่มโออินรีสังวรที่จริงเป็นตัวปิดมายความวาถ้าเราแก้ตรงนี้ได้นะมันก็ป้องกันไปด้วยในตัวเพราะก็แนวสติเหมือนกัน เลือกรู้อารมณ์ที่ผ่านมาแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยฮะมันเกิดสนใจไปแล้วเกิดรับรู้ไปแล้วก็สลัดออกไปจากใจคือลืมซะบ้างอย่าไปเก็บสะสมอารมณ์ไว้มากเกินไปแต่เก็บสะสมไว้มากมันก็กลายเป็นการหมักผม การเก็บก็แนวอาสวะนะฮะเราจะเห็นว่าท่านป้องกันท่านท่า น, านพูดเรื่องไม่ดีตรงนี้พูดพูดเฉพาะเรื่องไม่ดีธรรมานั้นจะแปลอยู่สองเรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งคือฝึกทั้งหมดนี้ฝึกฝึกรักษาศีลอย่างที่เคยบอกว่าศีลห้าเอาข้จริงมันไม่ไม่ไม่ไมใช่ว่าครบทีเดียวห้าข้อหรอกมั่งฝึกรักษาลองไต่อันดับท่านเรียกว่าศีลขาวบทคือเก้าแต่ละเก้า เก้าของการศึกษาขั้นบันไดนะฮะแบบขั้นอะไรคือขึ้นมาทีละขั้นอีู่แต่ขั้นแล้วขึ้นสูงแล้วก็ลงลึกนะฮะเราจะเห็นว่าสีเนี่ยมีทั้งสูงขึ้นแล้วก็ลึกลงแต่ละข้อเนี่ยจะมีความลึกมีความระเบิดละไม้แล้วก็เข้าถึงใจได้ทั้งหมดเราก็ฝึกรักษาอินทรีย์สมองก็ฝึกสมัมบูรณ์ ดัดนิสัยตัวเองไม่ไปบ้างได้ไหมไม่ดูบ้างได้ไหมมันจะเป็นอะไรขึ้นมาล่ะเอะเรื่องเหล่านี้มีปัญหาอย่าดูได้ไหมดูแล้วก็มีปัญหาทุกทีเลยอย่าดูได้เปล่านี่คือสิ่งที่ที่มันมมันเกิดต่อสู้กันภายในใจคนคือคนเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่อยากรู้อยากเห็นเห็นมไหมฮะเป็นสัตว์โลกที่อยากรู้อยากเห็นอยากดูสิอะไรนะเขามุงอะไรคนล้อมกันสี่ห้าคนเพียวเพื่อนมุงเต็มฮะ นั่นคือธรรมชาติเขาเลยธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกทั้งหลายนะเห็นอีกาจับ ก, กลุ่มตัวสองตัวไปเดียวก็เพื่อนมาเต็มเลยแรงลงเพื่อนก็มาเต็มเลยเห็นไหมธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติของสัตว์โลกก็เป็นอย่างงั้นเขเป็นพวกอยากรู้อยากเห็นเพรา ะ, ะการการปฏิบัติฝึกปลือในแนวนี้มันเป็นแนวทวนกระแสธรรมชาติซึ่งที่จริงแล้วปฏิบัติค่อนข้างยาก แต่ถ้าวุฒิภาวะเราสูงพอเราเขาไม่มุ่งนะฮะเห็นไหมว่าเด็กมุ่งเล่นกันเราก็ไม่ดูไม่สนใจก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับตัววุฒิภาวะนั้นไม่าจาเป็นที่จะต้องไปโจรก็ไปร่วมกับเขาทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินวินิจฉัยในแต่ละขณะจนเรื่องขันติเองก็ต้องฝึกอดทนเอา ฝึกอนบางทีเนี่ยอุบายในการฝึกของพระพทุทธเจ้าหรือของพระครูบาจารย์มันที่เราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้โดนโดนท่านทดลองโดนท่านทรมานโดนท่านดักสันดาลแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าพระตัวตั ว, ตวไปแม้คนระดับที่เป็นพระราหารันเช่นพระนาคเสสนี่โดนนะฮะพระนาคเสเนี่ยนะกเ็ เ, ยเราไม่นึกว่าเออคนขนาดนี้ยังไมโดนไหน พระนาเกษตรนี่ท่านเรียนอภิธรรมก่อน บ, บวชมานี่เตรียมสร้างคนเพื่อต่อสู้กับพระยามิรินรยามิรินเป็นนักปราศของกรีกนะฮะหมายความมาถ้าใครต่อสู้พระยามิรินไม่ได้ในศาสนาเราก็ต่อมาก็เป็นพิษเน่ะเพราะเขามาจากกรีกแต่ตอนนั้นพิษยังไม่เกิดอ่ะก็ให้เรียนอภิธรรมก่อนซึ่งเป็นธรรมะลักซึ่งทีนี้อภิธรรมนี่ตามปกติเขาไม่ให้เรียนก่อนนะฮะ เราไปทำตาเรียนก่อนแล้วไปดูบิ่นคนอื่นหมดเลยคนอื่นโง่หมดเลยฉันเก่งอยู่คนเดียวเองอะ่ะและแทนที่จะดูที่จิตตัวเองไปดูจิตคนอื่นเป็นเรื่องนี่แปลกไปดูจิตคนอื่นไม่ค่อยจับผิดคนอืน่คนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างเงี้ยแต่แม่ดูตัวตัวเองอะ่ะตัวเองมีจำแมนเพระนาเกษต์นั่นเขเป็นอย่างไงเรียนจบปฐมธรมอาจารย์ส่งไปอุปชาส่งไปให้เรียนกับอาจารย์ เดินไปสู่พระวินัยกาอาจารย์กาจารย์อยู่ป้านนอกพอเห็นปั๊บปุ้ยหลงต า, าอันหน่อยท่าทางไม่ได้คว้ามไม่รู้อะไรเอาอะไรมาสอนเราเรามจกปริพิธรรมมาแล้วคิดนะคิดเอาไปเจอพระอาหารหันต์เข้าได้เรื่องเลยก็ลงพันธกรรมลงโทษเลยลงโทษก่อ แต่พอนักเตือนนั่นดีนะฮะท่านท่านลงโทษก็ลงโทษอาจารย์รู้ความคิดอาจารย์บอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ควรคิดอย่างนี้เรียนไม่ได้เลยก็ลงโทษเลยนั่นก็คือวิธีฝึกดัดสันดาลเพื่อให้เราคุ้นเคยให้มีความอดกลั้นความอดทนก็ฝึกอดทนไปเรื่อยๆจะนั่งสมาธิเราก็ฝึกนั่งไปเรื่อยๆ นั่งนานขึ้นไปนานขึ้นไปฝึกเดินฝึกทำฝึกอะไรแต่อะไรก็ฝึกเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปก็สรุปก็ทั้งหมดมันต้องฝึกอะไรก็ตามที่มีการผ่านการฝึกปรือขันผ่านความอบรมซ้าซ้ำซาการลักษณะซ้ำซ้ซากกระทาแล้วก็ทําอีกระทาบ่อยๆกระทาอยู่สม่าเสมอในเรื่องเดียว ก็เป็นการแบ่งคนเนี่ยครคนเราจะแตกต่างกันอยู่ที่การฝึกมันไม่มีใครสำเร็จรูปเลยนนะคราาับ่ต้องมาฝึกเอาทั้งแน่นนะคนสำเร็จรูปมันไม่มีเกิดปุ๊บไปถึงเป็นประหารปุ๊บเนี่ยมันไม่มีนะพระพุทธเจ้าเองพระโพธิสัตว์เองก็มาฝึกทรมานกันเกือบล้มเกือบตายเพราะแนวแนวท่านทั้งหมดจึงอยู่ที่การฝึก พี่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนเราจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เพราะชาติสกุลเป็นคนดีก็ไม่ใช่เพราะชาติสกุลแต่เป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำพี่เราฝึกหรือไม่ฝึกไอ้อย่างนั้นมันเรียกว่าเป็นปัจจัยเฉยๆคือช่วยได้แต่ไม่ช่วยได้ตลอดอกช่วยได้นิดหน่อยเมื่ออยู่ที่การฝึกเอาฝึกทาแล้วทาอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเราจะเห็นว่า ฉันเคยเคยสังเกตว่าคนไทยชาติเดียวที่นั่งพ่ะเพียกตัวตรงได้ชาติเดียวน ะ, ะนั่งพ่อเพียบตัวตรงได้เพราะอะไเพราะพาะ่อแม่ฝึกมาตั้งแต่เด็กลองให้ฝรั่งมานั่งดูเถอะฮะฝรั่งนั่งตัวไม่ตรงนะฮะคนไทยนั่งพ่อเพียบตัวตรงได้แต่ถามว่ากว่าจะถึงวันนี้เรานั่งม า, มาถถไม่รู้เท่าไหร่นั่งมาเยอะแล้วชั่วโมงบินเยอะเลยเราจึงนั่งได้ นั่นคือลักษณะของเครียดธรรมะคือฝึกที่ทรงแสดงว่าจิตตระรรมัทโธสาธุการฝึกจิตเป็นความดีจิตตังดัน ด, ด, ด, ดังสุขาวัางจิตที่ฝึกดีแล้วจะนําสุขมาให้เพราะฉะนั้นนี่ก็อยู่ที่การฝึกเอายิ่งสติยิ่งต้องฝึกใหญ่เลยฝึกเพิ่มสติเรามีแต่ขาดสติเราไม่ค่อยมีสติสมบูรณ์ยิ่งอายุมากยิ่งไปใหญ่เลย ลืมคุญแจลืมอะไรวุ่นไปหมดไลยขาดสติที่กินข้าวย่งลืมเลยกินข้าวแปลงพันเสร็จแล้วอยากจะกินต่อยแล้วยุ่งจังเลยลืมขาดสติเพราะงนันทั้งหมดเราจึงต้องฝึกทั้งนั้นแล้วตัวญาณโดยความรู้เราต้องฝึกทั้งส่วนปริยัตทั้งส่วนปฏิบัติ ในความว่าจะต้องมีการศึกษาต้องมีการสอบถามมีการสนทนามีการประพฤติปฏิบัติก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนอะไรธรรมะจึงมีความหมายอย่างหนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งก็คือก็คือก็คือเบรกตัวเองได้นะฮะธรรมะประบยคข่มประบยคข่มใจเดือดห้ามใจเบรกตัวเองได้คิดชั่วไปแล้วแต่ไม่ทําให้พูด ห้ามห้ามไม่ทำห้ามไม่พูดได้จนถึงก็ห้ามความคิดได้คือเบรกความคิดให้คิดอย่างนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะคิดซึ่งตรงนี้เราอาจจะปรารบอะไรก็ได้นะการคิดเจนนี้ไม่ควรสำหรับเราซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีสกุลเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นศาสนิกในศาสนาเป็นอุปสกเป็นบาสิกาเป็นพระเป็นเนรอะไรต่อไเนี่ย คนนี้จะกลายเป็นตัวกระตุ้นเป็นการข้ามจิตท่านลองเห็นว่าสิ่งที่แขวงเรนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังคืออิ่งอตดปามันมีความคิดละอายปาทมันคือความคิดกลัวปวากไอ้คิดอย่างนี้ไม่เด็ดมันไม่เหมาะไม่ควรที่จะคิดเขาเรียกว่าสอนตัวเองดัดสันดานตัวเองหลือห้ามตัวเองได้เกือนตนด้วยตน ห้ามตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนนั่นก็คือแนวที่เรียกว่าเป็นธรรมะคือการฝึกการฝึกการข่มการห้ามใจทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสัญญามากกับตัวธรรมะคือสํารวมระวังกับการฝึกนี่เพื่อให้เกิดอะไรเกิดจิตที่ไม่เบียดเบียนเนื้อหาชีวิตจึงอยู่ที่ไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนกันและกันเมื่อหาตอนต้นนะฮะไม่ใช่ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายต้องทําประโยชน์ต่อกันและกันแต่ว่าทํายังไงหยุดตรงนี้ก่อนเพราะปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เบียดเบียนนะครเห็นว่าสังคมเราเป็นปัญหาที่จะต้องคิดจะต้องแก้กัน เ, เยอะเแล้วทํายังไงนะฮะเดี๋ยวนี้มันคิดว่าจะแก้กันยังไงผพราะมันรุงรังมาก มันหมือนกับเส้นได้ที่เราหมุนๆๆแล้วก็โยนเงินไปมันสางยากนะเราแก้ตรงนี้ไป ม, มีปัญหาตรงนั้นแก้ตัวนั้นเลยมีปัญหาตรงนั้นปัญหาที่มันเป็นวงจรแะหาจุดจบไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจริงๆเมื่อหมุนมาจากโง่จนเจ็บคือปัญหาอยู่ที่ความไม่รู้ความยากไร้แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บไอ้ความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บจริงๆเมื่อวาจริงๆคือความไม่รู้ เห็นไหมมั น, ม, นมันไปรวมที่อวิชชาอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเพราะจากความไม่รู้เนี่ยมันก็อาจจะสืบเนื่องมาจากยากไร้คือไม่ได้ศึกษาเรื่อเหรียญเพราะพ่อแม่ไม่มีทุนให้เดียนเห็นไหมมันก็บุนกันในหวางความไม่รู้กับความยากรายตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีงานทําไม่มีเ อ, อไม่มีเงินเดือนสูงก็กลายเป็นความยากรายแก้ความยากไร้ไม่ได้ กินเท่าที่กินอยู่เท่าที่อยู่อยนอนเท่าที่นอนแล้วในที่สุดมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอาการเป็นโรคไข้ไก่เจ็บมันก็หมุนกันอยู่เงี้ยทํำยังไงจะแก้ได้เป็นสางเป็นเรื่องที่สางยากผมก็ขอตรงนี้ว่าว่าให้เขามีปาาัญหาเฉพาะตัวเราจะไปบีเบเวียนเขาแล้วกันคือเราอาจจะช่วยเขาไม่ได้แต่ทํำยังไงเวลาเขาตกน้ำเราจะไปถอค้าคอเขาแล้วกัน เราอาจช่วยเขาไม่ได้แต่อย่าถึงก็เอาถอไปค้ำคอเขาเวลา น, นี้เอาถอไปค้ำคอเพื่อนน่นะที่มันมันเดือดร้อนบนวายกันเนถ้าเราปล่อยเขาไปตามที่เขาควรจะไปก็ใช้ความพยายามของเขานะในระดับที่เรายัางช่วยเขาไม่ได้นะเราอย่าไปขัดขวางเขามันก็มันก็มีอะไรก็ดีขึ้นเยอะแต่เนื้อหาจริงๆต้องไปช่วย เพราะเราเราเจนว่าถึงจุดหนึ่งตัวอหิงสาเนี่ยอวิหิงสาคือการุณาคือเมตตาการุณาที่ผ่านการสํารวมระวังผ่านการฝึกปลื้มมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยให้จิตใจเรามีเมตตาการุณาตนน่อคนถึงยานี้บอกท่านไว้ว่า มันก็มีคนกระสิ่งที่เกี่ยวเนื่องหรกคนเนี่ยนะฮะถ้าเรากรุณาคนเราเมตตาต่อคนแล้วเข้าของเขาเราไม่เบียดเบียนนับให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อใครคนใดคนหนึ่งให้เราสังเกตเราจะไม่เบียดเบียนเขาอะเข้าของเงินทองอะไรแต่เราไม่เบียดเบียนเขาเพราะเราเมตตาระวังดีต่อเขาเป็นอุบายวิธีในการสอนเราดูคล้ายๆมากแต่พระเจ้าสอนให้เห็นน้อยพอปฏิบัติเราจะรู้สึกน้อยนิดเดียวคือเมตตาต่เดี็ก คำมเมตตาจึงคลุมเนื้อหาของการปฏิบัติในทุกเรื่องอะเราจะเห็นว่าเมตตาก็คืออะไรก็คือความเป็นมิตรนะมิตรนะคือเมตตามิตรไมตรีเมตตาในคําเดียวกันารู้สึกเป็นมิตรวางตัวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมีความรักมีความปรารถนาดีต่อคนอื่น จะพูดจะทําทอะไรก็ตามก็มุ่งให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแกันครแล้วจิตนั้นมุ่งะจะอุปการะคือคิดต่อุปการะมีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะร่วมกันแก้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็นกเรียกร่วมทุกข์ร่วมสุขกันดังนั้นท่านท่านจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจึงวางคําว่ากัลยาณมิตรไว้ทุกแหก่ง แล้วถือว่าเป็นกัลยาณมิตรนะั้นเป็นตัวของการปฏิบัติดีเรียกว่าตัวของพรหมจันทร์ที่พระนรนเคยกล่าบทูลว่าท่านมีความเห็นว่ากัลยาณมิตรเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจันทร์พระเจ้าบอกไม่ใช่กึง่งแมันตัวไม่เลยแหละหมายความมาทั้งปวงเนี่ยมันมาจากความรู้สึกที่ดีที่ดีต่อกันคือเป็นกัลยาณมิตรกันยมรับรับถือกันแต่ว่าท่งหมายทั้งที่เป็นคน ท, ทั้งที่เป็นธรรมะนะครับ หมายถึงจนถึงอริมกักคิยงแปดประการประการต่อไปก็คือมาราปิตุปัฏฐานการอุปถา์บำรุงมารดาบิดาเลี้ยงดูมารดาบิดาเมื่อคืนนี้มันดึกแล้วมันมันมันอะไรมุนฟุลไอะไรไมันนอนไม่หลับเลยฟังวิทยุเขาเขาพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องประสบการณ์แม่ลูกก เออความคิดมันก็แปลกแกบอกว่าเด็กเดียวนี้จะหวังให้คิดเหมือนเราเนี้ยไม่ได้แต่ก็ดูแล้วก็ก็มีกาตันยูอยู่รรพอสมัวรเนี่ยนะกะตัูอยู่อพอสมควรแต่จใจถึงอย่างที่เราคาดหวังแบบแบบเก่าๆเนี่ยคงคงจะทำได้ยากเพราะเนื่อไขต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ปัญหาสำคัญว่าเด็กเนี้ย พวกลูกเนี่ยจะต้องรู้จักบุญคุณของพ่อแม่แต่ปัญหาสาคัญในการปฏิบัติธรรมะนี่มันต้องเป็นแบบวลนนี้เราก็ใกล้วันแม่ที่1ิบสองนี่เป็นวันแม่คือเรามักจะเป็นเน้นไปที่ลูกแต่เราลืมไปว่าแม่เองก็คือลูก ไม่ได้มองปมตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นปมหลักที่สุดแม่ก็คือลูกมันไม่มีใครเป็นแม่อย่างเดียวมันเป็นลูกอยู่ด้วยทุกคนมันเป็นลูกแล้วทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นแม่นะฮะผู้ชายไม่ได้เป็นแม่คนนี้ไม่แต่งงานก็ไม่ได้เป็นแม่แต่ทุกคนเป็นลูกทำยังไงว่าคนที่เป็นแม่ด้วยเป็นลูกด้วยเนี่ยเป็นแม่ด้วยเป็นลูกด้วยนะ ทำตัวเป็นลูกที่ดีให้ลูกมันดูเพราะธรรมะเนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติให้ดูปฏิบัติให้เห็นนะครับทให้ดูอยู่ให้เห็นนะเป็นให้เขาให้เขาประทับใจเป็นคนดีเขาประทับใจเพราะการปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อมารดาบิดาจึงไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องเป็นเพราะทุกคนคือลูก ไม่มีใครไม่มีใครเป็นอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าทุกคนคือลูกแต่ว่าทุกคนไม่ใช่คือแม่แม่เป็นไม่ได้ทุกคนนะเป็นเฉพาะคนที่มีลูกเท่านั้นเองแต่ว่าทุกคนคือลูกเะฉะนั้นทำยังไงว่าในฐานะที่เราเป็นทั้งสองอยา่างเราเป็นทั้งแม่ด้วยเป็นลูกด้วยลูกในอุดมการของเราในฐานะเราเป็นแม่ด้วยเนี่ยนะทำยังไงเราก็สร้างแบบจาให้ดู ให้ลูกมันได้ดูให้ลูกหลานได้ดูว่าแบบอย่างของแม่ของลูกที่ดีนยฮะลูกในวดมอุดมคตินี่คืออย่างนี้อย่างนี้หมายความมักต้องมีแบบให้ดูใครเป็นแบบที่ดีที่สุดก็คือคนที่ที่เป็นลูกด้วยนะฮะเป็นเป็นแม่ด้วยเป็นลูกด้วยเนะี่ยพวกนี้จะรู้อะไรมันเป็นภาษาใจที่สัมผัสได้รวราอธิบายไม่ได้นะมาเคยถามเคยถามคนคุ้นกันนะ รักลูกดิมันเป็นยังไงเราไม่เคยมีลูกกันไม่รู้หมายความมันยังไง ร, รักลูกนี่นะแกบอกมันอธิบายไม่ได้นะเป็นนักบวชเก่าเราคุค้น ก, กันนะั่งคุยๆกันเราก็สงสัยไอ้รักลูกมันเป็นยังไงมันนึกไม่ออกแกบอกว่ามันมันอธิบายไม่ได้แต่มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าสมมุติว่ามีอันตรายอะไรมาเนี่ยตัวเองยอมตายเพื่อลูกได้ แต่ถามลูกลองดูไม่เอาอะ่ะพ่อแก่แล้วยังจะตายแล้วยังไงก็ตายไปก่อนเถอะลูกก็ไม่เอาด้วยหรอกแต่วันนี้คือคือความรู้สึกว่าคนเราต้องเป็นทั้งสองอย่างแล้วจะเข้าใจมันเป็นภาษาใจมันเป็นจิตบิ ญ, ญาติถนึกถึงพระเจ้าชาติตรูไฮะพระเจ้าชาติตรูไม่เข้าใจเรื่องความเรื่องเรื่องเรื่องความรักของพ่อที่มีตอ่อลูกไม่เข้าใจจะพ่อไปขัง แต่วันที่ลูกเกิดเนี่ยวันที่ไม้สีท่านประสูตรโอรสก็พระเจ้าปิมิสานก็ที่วงคดพอดีคดแจ้งข่าวก็แจ้งข่าวการตายก็ไม่ใช่การการประสูตรของพระเจ้าโอรสก่อนมันมันรู้สึกบิญญาณของความเป็นพ่อมันเกิดเรียกหาพ่อทันทีรู้ทันทีว่าพ่อที่รักลูกมหาสารมันมันอธิบายไม่ได้มันเป็นภาษาใจ เรียกหาพ่อเพื่องก็บอกว่าพ่อตายแล้วพระเจ้าเจ้าสู่เป็นเป็นคนที่มีบาปตลอดชีวิตยี่สิบกปีของการครองราชไม่สงบคิดแต่ถึงเด็พ่อตลอดเป็นคนละอายใจลึกๆนะฮะลึกๆมันมันมีความโศกลึกึกกัดกินกัดกร่อนจิตใจอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะฉะนั้นทํำยังไงว่าการอุปถัมภ์กวนรงมารดาบิดาเราต้องได้แบบได้แบบให้ คนทั้งหลายเนี่ยคือตามปฏิบัติตามแล้วคนยิ้มแบบก็คือคนที่ใกล้ลูกที่สุดมายความวาเราปฏิบัติต่อพ่อแม่เราเพื่อลูกเราดูแล้วก็ลูกก็ได้ปฏิบัติตามเพราะว่าตรงนี้มันมมันันนสอนไม่ค่อยได้เรื่องหรอกเพราะอะไรเพราะว่าให้หลองสังเกตว่าสอนแม่นี่เอาเปรียบใจแกรู้สึกโอาเปรียบอ่ะก็เคยเสนอใน ในที่ประชุมบอรเราต้องช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่พระสอนนักเด็กไหว้พระ ม, มันไม่ได้หรอเด็กเด็กสมัยนี้ไม่ได้คิดเหมือนเหมือนสมัยก่อนหรอพระไม่ใช่ไปสอนให้เด็กไหว้พระแต่พระนี่ต้องสอนให้เด็กนี่คารพะนับถือพ่อแม่คารพะนับถือครูรบา อ, อ, อาจารย์และครูบาอาจารย์เนี่ยต้องสอนเด็กให้เคารพะนับถือพ่อแม่ให้นับถือพระแล้วพ่อแม่ก็สอน ลูกให้เคารพนับถือครูบาอาจารย์นับถือพะเห็นไหมฮะช่วยกันมีคนสอนอย่างน้อยสองคนแล้วเพื่อให้คนคนเราเรานั้นถูกสอนให้เคารพนับถือจากคนสองคนตรงช่วยการลักษณะนี้ทฤษฎีบวรนะฮะบ้านวัดโรงเรียนการอุปถัาากบำรุงบรดาบิดามันเป็นทั้งบุญทั้งคุณเพือเป็นทั้งคุณเนี่ย แน่นอนว่าเป็นคุณเกื้อกูลเป็นความเจริญก้าวหน้าของเราเพราะคนเลี้ยงดูพ่อแม่บำรุงพ่อพ่อแม่เนี่เป็นคนเจริญทฉะนั้นไม่มีใครเสื่อมบำรุงจริงๆนะฮะไม่ใช่บำรุงการเมืองบำรุงจริงๆแล้วเจริญทฉะนั้นเพราะนั้นก็คือเทวดาภายในเรือ น, นั้นคือพระพรหมภายในเรือนนั้นคือมิตรภายในเรือนนั้นคือพระอระหันต์เป็นบุญตอนที่บูชาพรหมบูชาพระอระหันต์บูชาบุรพจาชาน นะเป็นคุณในฐานะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่เป็นบุญในฐานะที่เป็นพระราศพพระอาถรรพ์มันเป็นทักษิณในบุคคลเนี่ยหมยมันมั น, ม, นมันจะไปลงดวงนนมันจะไปลงตัวที่เป็นทักษิเในบุคคลกุญแจทรงใช้เข้ามาอาหุนายโยอาหุนโยปาหนุนโยตะกีนาโยเฉลีการนโยนะ่ะพ่อแม่เป็นอาหุนายโยหมายความก็เป็นหมวดทั้งสามอย่างท้าห้าอย่าง อาหุนโยเป็นผู้ควรคำนับบาหุนโยเป็นผู้ควรรอนรับทักขินโยควรทำบุญอัญเชิญการนโยควรแก่การประนมมือไว้อนุตรังบปจักคเชตังโลกะสะเป็นนาบุญของลูกนะฮะไม่ใช่ของโลกแต่ของลูกเห็นน ะ, ะเพราะมันเป็นเป็นอาหุนโยอาุนโยก็บาหุนโยทักขินโยสังคุคณทั้งห้าข้อหลังเนี่ยสังคุคณทั้งห้าข้อหลังเนี่ยมาหมดอยู่ที่พ่อแม่ได้ทั้งหมด แล้วก็เป็นพระอรหันต์เราทําบาปกับพ่อแม่บาปเท่ากับพระอรหันต์เราทําบุญกับพ่อแม่บุญเท่ากับทํากับพระอรหันต์พระเจ้าจึงแสดงไว้ทั้งสองมุมบุมที่เป็นบาปคืออ น, นันตเรียกรรมเห็นไหมครับฆาพ่อข้าแม่ข้าพระอรหันต์ทำโลหิตูปบาตทำสังฆเพทบาปเท่ากันเป็นอ น, นันตเรียกรรมเหมือนกัน เราทุศร้ายต่อมารดาบิดาพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าเราทรงเนี่ยบาปเท่ากันเป็นนันติกรรมเหมือนกันบุญบุญก็เท่ากันเลยเพราะว่าเป็นเหมือนกันฆ่าพระหันเป็นบาปบำรุงพระหันก็เป็นบุญบำรุงพ่อแม่ก็เป็นบุญในฐานะที่เป็นพระหรระันการการการไหว้การคารพ การต้อนรับการดูแลพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นบุญเราพบธรรมะตรงนี้ไว้หลายแห่งนะในมงคลระสูตรแสดงเป็นมงคลมาตาปิตุปัฏานะังปุตตดารัชสร้างกรโคการอุปถากภบำรุงมารดาบิดาการเลี้ยงดูบุตรปัญญาเป็นอุดมมงคลแต่ตรงตรงนี้อย่าลืมนะฮะเตวดามาถามปัญหา ตรงเนี้ยบางบางทีเราเราทําให้ยุ่งและเราพูดได้ยุ่งเช่นว่าอิทธิมาลังพรหมจริยาสะผู้หญิงเป็นมนทินของพรหมจารยีผู้หญิงสมัยนี้ก็โกรธอ่ะถามมาดูหมินเขาอ่ะกดขี่ทางเพศดูหมินว่าผู้หญิงมเก็อตอบผู้ชายผู้ชายถามเราต้อง น, นึกว่าถ้าผู้หญิงถามว่าใครเป็นมนทินของพรหมจารย์ผู้หญิงก็ผู้ชายมันอยู่ที่ใครถาม แล้วเราไปได้ติดคําอย่างเงี้ยไม่ไม่นึกว่าตรงเนี้ยผู้ผู้ชายเขาถามมาใครเป็นบนทินพรหมจารีของผมอะ่ะก็ผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงไปตถามมาใครเป็นเป็นบนทินพรหมจารีของผู้ผหญิงก็ผู้ชายเห็นนหฮะก็จะตอบอีกอย่างหนึ่งแต่เราต้องนึกอีกอย่างหนึ่งว่าตรงเนี้ยถ้ากลับไปนี่คืออะไรไม่ไม่ใช่ไปดูบินอะไรเลยนะเป็นเป็นเป็นการแสดงแสดงธรรมชาติคือแสดงความจริงโดยธรรมชาติ ก็เนี้ยมันไม่ไม่ต้องอะไรแล้วฮะละใหมบ่บวชแต่ละปีนี่ทะเลาะ ก, กันตรงนี้นีต่ตลุดแฟนมาคุยบางทีสี่ห้าชั่วโมงไม่บายอ่ะคุยทีสีห้าชั่วโมงเลยเราก็ทำยังไงมันก็เถื่อนวัดน่ะนะฮะวัดเนี่ยมันเสียบรรยากาศแหลพระเก่าก็อยู่กันดีอ่ะ พอพระหมายมามาถึงสมมุติว่าคณะแต่คณะหนึ่งแล้วเขเอาแฟนมานั่งคุยอยู่กลางคณะนี่พระเก่าเขาอึดอัดหมดเลยคณะเลยจะลงข้าวห้องน้ําจะเดินไปไหนก็อึดอัดหมดเลยนักจีวก็เหมือนกันเลยนะสำนักจีกก็เหมือนกันนะสมมติว่าชี้เอาแฟนมานั่งคุยไม่ชี้ก็เถือนหมดทั้งตำน่งไอ้ น, นี่ ค, คือคือคือจริงๆมันสะท้อนภาพสะท้อนภาพไม่ได้หมายความมาดูหมิ่นด่าว่าอะไรหรอก เพื่อแสแดงความจริงแต่นั่นเองทังการการศึกษาการอุปถาปนุมาณตาบิดาอะไรเนี่ยมันมันก็มองสองมุมใช่ไหมสองมุมว่ามุมทําชั่วเนี่ยเท่ากับเบียดเบียนพระอาหารหันต์มุมทําดีพระเจ้า ก, ก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยการทําดีต่อมารดาบิดาการอุปถา ก, การการล่วงเกินอะไรอะไรเหมือนกันนะเหมือนด่าพระอาหารหันต์นะนะ อัปมงคลนะด่าพอ่อด่าแม่นี่อัปมงคลอยจะไปด่าเลยนะอัปมงคลมากเลยยังไยงยไงก็อาจเผลอด่าแล้วขอขอมาแล้วก็แล้วกันอ่าเป็นอัปมงคลมากเพราะอะไรเพราะไปด่าพระอรหรันต์เขาเขาเรียกอายุประวัติอยุประวัตินะฮะเป็นการล่วงเกินพระอรหรันต์ ต้องให้ความเคารพก็เรียกว่าอักขิพระพุทธเจ้าบางครั้งเรียกว่าอักขิปีตักขิมาตักขิไฟคือพ่อไฟคือแม่เมื่อเราเกี่ยวข้องกับไฟต้องระมัดระวังไม่งั้นไม่ได้คุณอนันต์นะโทษมหาหันระวัตขาดการระมัดระวังกได้เรื่องเลยก็อยู่ที่จิตสำนึกที่กะตันดูกกะตเวที มันมีหนี้ทางใจอย่างหนึ่งนึกถึงนายแพทย์เกิดธนชาติไม่เคยรู้จักกันนะนะท่านส่งปัจจัยมาบอกขอให้มาช่วยเขียนหนังสือเรื่องประชาติท่ปไตยที่มีฐานเนือที่กตตันอยู่เมื่อคืนนนอนคิดวางพลอต<ช>เรื่องเ <c oughs> <ๆ>นียพราะเรื่องคงต้องเขียนให้นะท่านตายเป็นนานะเพราะว่า อะไรก็ตามถ้ามีฐานอยู่ตรงนี้กดตันยูนกตันยูก็คือรู้ดีเป็นดีรู้ชั่วเป็นชั่วรู้สิ่งที่ท่านทำความดีที่ท่านทำความไม่ดีที่ท่านทำความไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่านนะฮะความดีก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าความดีนั้นเราที่เกี่ยวข้องเราเราก็สำนึกเราก็ตอบแทนเราก็เป็นแบบในการประพฤติปฏิบัติ แลการที่ลูกซึ่งเป็นแม่ด้วยแม่ที่เป็นลูกด้วยนะเหมือนกันนั่นแ่ะก็พยายามทำตัวเป็นเป็นเป็นหลักเป็นลูกตัวอย่างลูกที่แม่ต้องการน่ะอย่างที่แม่เป็นเนี่ยคือลูกที่แม่ต้องการไม่ต้องสอนลูกหรอกว่าเธอเป็นอย่างที่ฉันเป็นน่ะแต่ในความรู้สึกของเราเราสะท้อนในดูว่าพูดกับแม่เป็นอย่างนี้ปฏิบัติกับแม่เป็นอย่างนี้ดูแลเอาใจใส่แม่อย่างเงี้ยเนี่ยคือลูกที่แม่ต้องการ ฉันทาให้ฉันเป็นลูกในอุดมการอุดมการของแม่แมาว่าถ้าถ้าใช้แบบอย่างนี้นะฮะถ้าสอนอย่างนี้แล้วก็ซึมซับกันอยู่ได้เรื่อยเรยเรามีบุคลา r ีอยู่ที่บ้านนะฮะมีพ่อแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็สอนลูกโดยการกระทํามันก็ซึมซับสร้างลักษณะนิสัยเราก็จะได้สัตว์บุรุษตัว น, น, น้อยขึ้นมานะฮะภายในบ้านอะไรๆต่างๆมันจะดีขึ้นนี่ก็คือเรื่องธรรมะของบัณฑิต หรือสัตว์บุษวันนี้ก็ขอจิตว้ยให้ได้เวลาพิธีนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านสาะชุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ